ย่อมปรากฏในการรับรู้ไม่ต่างกับก้อนสเสเลตในปากที่ควรถมทิ้งไม่น่าเสียดายไม่น่าห่วงไว้สักนิดเดียวผู้ใกล้บรรลุมรคผลย่อมเห็นตามจริงว่าเหตุให้เกิดทุกข์เป็นสิ่งควรละให้สิน้น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 ผู้มีคุณสมบัติพร้อมจะบรรลุมรรคผลย่อมไม่ผูกพันกับผัสสะใดๆแม้รสสุขอันหน้าพิศวงของสมาธิใจสลัคืนหมดไม่เอาความรู้สึกนึกคิดไม่เอาตัวตนมีแต่มุ่งจะทำที่สุดทุกท่าเดียวและเขาย่อมถึงซึ่งความสำเร็จโดยไม่เนิ่นช้าทะลุขันห้าออกไปเห็นด้วยจิตอันเป็นชาญว่าความดับทุกเป็นเช่นไร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 1. รู้ความจริงอย่างอริยะคือรู้ว่าอะไรคือทุกข์รู้ว่าอะไรคือเหตุแห่งทุกข์รู้ว่าอะไรคือความดับทุกข์และรู้ว่าการดำเนินชีวิตอย่างไรจึงดับทุกข์ได้ผู้รู้ความจริงอย่างอริยะได้ชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิซึ่งอาจหมายถึง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 ก็ไม่เกิดขึ้นในห้วงมโนโทวารเลยอย่าว่าแต่จะมีแรงยึดสักน้อยหนึ่งมาถือเอากายใจเป็นตนการเจริญสติตามวิธีของพระพุทธเจ้านำไปสู่ความมหัศจรรย ja ์เหนือความมหัศจรรย์ทั้งปวง <Pal> พวกเราเป็นมนุษย์ผู้ประกอบด้วยกายใจ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 ในกันสิ่งที่เธอนั้นต้องเจอสิ่งที่เธอต้องทุกต้องท น, นไรเหตุผลให้แต่โทษฟ้าโทษดาวในความจริงที่เป็นทุกกางได้มาเพราะเธอจะไม่จะดีมันอยู่ที่ตัวเธอนั้นเอง เราลองดูเรื่องการการกระทันข้งเธอในคิดในใจอาจคอยสมผลอาลกลับมนคง ก, การสกันทำอะไรทำดีหรือ แม่ดวงเม็เดาวจะไมะแสงแวันนี้จะอ่อนแรงดวทันทีมืดมนมั่นใจว่าสิ่งที่เมมผลให้ยสู้อดทนนานเรื่องร้ายจะาไป Want to know w